คนกรุงเทพมันชอบหน้าหนาวกรุงเทพมันร้อนสังเกตไหมใจก่อนที่หลวงพ่อจะพูดกับใจตอนนี้ไม่เหมือนกันตอนก่อนหลวงพ่อจะพูดพเราก็ปล่อยใจของเราเลิดพลืนมีนันทิราคะหรือพลืน เราเห็นว่ากิเลสเล็กๆน้อยๆไม่สำคัญไม่ผิดศีลห้าใจลอยๆเพลือๆไม่ผิดศีลห้าได้มตรฐานมนุษย์แล้วก็ดีเหมือนกันแต่ถ้าเราอยากพ้นทุกข์จริงๆนะกิเลสเล็กกิเลสน้อยปล่อยไว้ไม่ได้จะมาผลัดผ่อน ต่อรองกับกิเลสทำไม่ได้ความเพลิเพลินเมื่อกี้นี้ก็พาเราไปเกิดได้ละมันเพลินเพลินใจเป็นบุญเป็นกุศลมีความสุขไปสุขติได้แต่ว่าเป็นนิพพานไม่ได้ เราไม่เห็นว่าพบทั้งหลายเป็นทุกข์เราเห็นแต่ว่าเวลาลําบากมากๆถึงจะทุกข์เวลายอยู่เฉยๆไม่เห็นว่าทุกข์เราเลยเพลินเรายอมผ่อนปลนให้กิเลสโดยผ่อนปลนให้กับความทุกข์นะั่นยอมยอมจนอนํานน ให้ใครทุกแค่นี้นะรู้สึกว่าสุขถ้าอยากได้ของดีของวิเศษนะเราอย่าไปปล่อยจิตใจให้ล่องรอยแล้วก็ไม่ได้ฝึกตัวเองให้เคร่งเครียดคนที่ฝึกตัวเองเค่เครียดทำกรรมฐานลรวก็เครียดเครียดก็ทำด้วยโลภโลภอยากดี อยากบรรลุมรรคผลลิขิตอยากมีความสุขเริ่มอยาจากอยากก็ปรุงดีมีความอยากก็ปรุงดีได้ไม่ใช่ว่าอยากเราต้องปรุงชั่วนะปรุงดีควบคุมกายวาจาใจให้เรียบร้อยที่จริงถ้าจะควบคุมจริงนะควบคุมมาจากใจควบคุมใจควบคุมวาจาควบคุมกาย ในคนทั่วไปเริ่มจากใจไม่เห็นก็เลยคุ้นกับคำว่ากายวาจาใจเราควบคุมกายด้วยศีลควบคุมวาจาด้วยศีลควบคุมใจด้วยสมาธิและปัญญาแต่ถ้าเราเป็นนักปฏิบัตินะเราคุมที่เดียวเลยที่ใจเราเนี่ย ใ, ใจเราไม่มีกิเลสคำพูดเราก็ดีการกระทำของเราก็ดี เป็นใจเป็นใหญ่เป็นหัวหน้ารักษาใจของเราไม่ปล่อยให้กิเลสครอบงำใจพวกเราไปนักปฏิบัติเป็นคนดีเราไม่ปล่อยให้กิเลสหยาบหยาบครอบงำใจของเราแต่เราก็ไปปล่อยให้กิเลสละเอียดครอบงำใจเราไม่เห็นว่า มันเป็นทุกข์มันเป็นโทษอย่างนั่งใจลอยไม่เห็นจะเป็นโทษตรงไหนเลยศีลก็ไม่ผิดใช่ไหมวาจาเขาไม่ผิดไม่ได้พูดอะไรกับใครใจลอยๆอไปผิดอยู่ที่ใจตรงเดียวใจเราไม่ได้สะสมสติแต่ว่าเราสะสมความขาดสติเราสะสมอะไรเราก็ได้นั้นแหละ เราสะสมความขาดสติแล้วก็ได้ความขาดสติเวลากิเลสหยาบเกิดขึ้นเรารู้ว่าไม่ดีเราไม่ทำํำกิเลสละเอียดเกิดขึ้นเราไม่เห็นว่าเป็นโทษเรายอมเงินการนั่งใจลอยนั่งเพลิดเพลินอากาศสดชื่นเย็นเย็นสบายลมพัดเราสบายเรามีเสื้อผ้าเยอะ คนไม่มีเสื้อผ้าเยอะเท่าเราก็ลําบากความสุขที่เราแช่มชื่นใจนีไม่เป็นความทุกข์ของคนอีกจํานวนมากเลยที่เขาไม่มีเหมือนเราเอย่าเพลิดเพลินมากในโลกเต็มไปด้วยความทุกข์ตัวเราเองก็เต็มไปด้วยความทุกข์คนอื่นก็เต็มไปด้วยความทุกข์ล้วใจเรากว้างขวาง มองออกไปรอบๆ<อ>เห็น เ, เพื่อนร่วมทุกกันน่าสงสารพวกสัตว์ก็ลำบากนะถึงหน้าหนาวสัตว์บางอย่างไม่รู้ตุนอาหารไว้ตลอดหน้าหนาวไม่มีอะไรจะกินความทุกข์มันซ่อนอยู่เยอะแยะเราไม่เห็น เรารู้สึกเราสบายเรามีความสุขแต่ถ้าเราพิจารณาลงไปแล้วเราก็จะสงสารคนอื่นสงสารสัตว์อื่นความหลงระเริงของเรามันก็จะไม่มีคนที่มีวัตถุทุกสิ่งทุกอย่างถึงจุดหนึ่งก็สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่มี มีเศรษฐีอะไรที่หอตกคนหนึ่งใช่ไหมเขามีเยอะมีกระทั่งเรือบินส่วนตัวถึงวาระที่จะตายไม่มีอะไรช่วยได้ก็สูญเสียทุสิ่งทุกอย่างเหลือแต่บุญกับบาปติดตัวไปเท่านั้นเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่ อย่างถ้าเขารู้ว่าเขาจะตายเขาคงไม่ไปขึ้นหอเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่เงินเวลาทั้งหมดเนี่ยเอาไปประมาทไม่ได้เผลอนิดเดียวแล้วตายตอนนั้นมันไม่ดีสังเกตไหมใจเราตอนนี้กับตอนที่หลวงพ่อพูดใหม่ๆก็ไม่เหมือนกัน รู้สึกไหมมันสลดลงไปหน่อยหนึ่งแล้วมีสตินะรู้เท่าทันจิตใจของตนเองเรื่อยๆไปอย่าละเลยเวลาห้านาทีสิบนาทีก็อย่าละเลยชั่วโมงหนึ่งพาวนาได้ห้านาทีเนี่ยสิบสองชั่วโมงได้หนึ่งชั่วโมงนะรวมแล้ว ห้นาทีสิบสองหกสิบนาทีใครบอกว่าวันวันงานเยอะไม่มีเวลาภาวนาเพราะละเลยถ้าไม่ละเลยแล้วมีเวลายังไงก็มีเวลาลนหลวงปู่ดูลดึงขนาดสอนบอกว่าถ้ามีเวลาหายใจนะก็มีเวลาปฏิบัติยังมีเวลาหายใจอยู่มีเวลาปฏิบัติเนี่ยมีคนไปบอกท่านว่า ดิงานเยอะไม่มีเวลาปฏิบัติหลวงปู่ย้อนไวว่าถ้ามีเวลาหายใจก็มีเวลาปฏิบัติอย่าไปคิดว่าการปฏิบัติธรรมนะี่มันช่วงชิงเวลาทำมาหากินของเราไปเวลาที่เราไม่ได้ทํางานที่ต้องใช้ความคิดนะปฏิบัติได้ทั้งหมดเลยมีสองเวลาที่ปฏิบัติไม่ได้เวลานอนหลับ กัเวลาที่ทำงานที่ต้องชิดเวลาที่เหลือปฏิบัติได้ทั้งนั้นขับรถอยู่ก็ปฏิบัติได้นะแต่อย่าไปทำสมถะเดี๋ยวจิตรวมไปตื่นขึ้นอีกทีหนึ่งไปเกิดใหม่เรียบร้อยแล้วร่างกายถูกลถบรรทุกทับเวลาขับรถนะจเจริญสติไปมีสติ ดูเส้นทางดูเลยนะว่าไปดูแล้วใจมันลอยออกไปทีดูเส้นทางนะั้นใจก็ลอยออกไปให้รู้ทันใจลอยนี่เหม่อแล้วไม่ใช่การขับรถแล้วเป็นเวลาที่เผล อ, อย่าไปปล่อยให้รู้ทันว่าใจลอยออกไปขับๆไปนะเห็นรถข้างหน้าติดใจสงสัยมันติดอะไรของมันนักหนานัห ง, งุดหงิดใจมันหงุดหงิดว่ารถมันติดอะไร กรดึบกระดึบไปใกล้ๆโอ้โหรถชนกันมีคนตายเลือดเต็มถนนเลยจะงุญญนงงเหตุไหมไม่งุญญนงงเหละใจอาจจะสลดใจหรือว่ากลัวอะไรเงรี้ยความรู้สึกเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามองเห็นความรู้สึกก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรถกายกระทบสัมผัสความรู้สึกก็เปลี่ยน ใจคิดนึกความรู้สึกก็เปลี่ยนให้เรามีสติรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของใจไปเรื่อยๆ อ, <ม>อย่าไปบงังคับใจให้นิ่งอยู่ในสิ่งที่คงทีนะ่อย่าไปทำใจให้คงที่มีสติรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของใจไปเรื่อยๆนั่นั้นดีที่สุด ตรงที่เรามีสติรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของใจเราเดินปัญญาละเป็นบุญที่สูงที่สุดนะบุญที่ประกอบในสติปัญญาแต่ถ้าเราน้อมใจไปพักสงบอยู่เฉยๆรู้เนื้อรู้ตัวอยู่มีสติอยู่แต่ไม่ได้ทํำวิปั ส, สนาก็ได้บุญเหมือนกันแต่บุญลดลงละบุญจากการทํำวิปั ส, สนาเนี่ยเป็นบุญที่ใหญ่ที่สุด บุญอย่างอื่นที่นอกเหนือจากมิปัสสนาเนี่เป็นบุญที่ให้ผลให้เราเวียนว่ายไตเกิดอยู่ในภพภูมิต่างๆยังมีความสุขในบุญของมิปัสสนาเนี้จะพาเราพ้นจากวัตฏะได้พ้นการเวียนว่ายไตเกิดได้อย่าเสียดายการเวียนว่ายไตเกิดบางคนเสียดายกลัวจะนิพพานเร็ว เพราะว่าไม่รู้จักนิพพานไม่เลยกลัวจะนิพพานเร็วถ้ารู้จักนิพพานไม่กลัวนิพพานเป็นบรมสุขกลัวหรอบรมสุขไม่กลัวหรอกนิพพานเป็นสรรันติสงบสรรันติกลัวเหรือสันติภาพไม่กลัวนี่เราไม่รู้จักนิพพานนิพพานเป็นสภาวะที่ใจเราหมดความหิวโหย ใจฮิวโวมันดีเหรอนิพพานเป็นสภาวะที่ใจพ้นจากความปรุงแต่งเป็นอิสระมีอิสระภาพไม่มีอะไรเข้ามาปรุงแต่งได้มีอิสระภาพมันน่า ก, กลัวเหรอไม่ไม่มีอะไรน่า ก, กลัวมีแต่ของดีของวิเศษอะ้รนันลนี่เราไม่รู้จักเราก็กลัวเหมือนเรากลัวผีใครรู้จักผีบ้าง ได้คุยได้เล่นได้ขอหวยได้เลยนะพูดกันรู้เรื่องเองนี้ยไม่กลัวที่กลัวผีเรามันไม่รู้จักในตัวเราก็มีผีผีมีจิตไหมผีก็มีจิตเราก็มีจิตผีมีรูปไหมมีรูปของเขาเกิดจากจิตเรียกว่าจิตตชารูป เราจะสวยหรือไม่สวยเกิดจากกรรมแม่อก ร, รมะชรูปเขาก็มีรูปเราก็มีรูปแถมเรามีรูปที่หยาบแข็งแรงกว่าเขามีรูปละเอียดผีมีเวทนาไหมสุขทุกมีผีมีดีมีชั่วไหมมีกุศลอกุศลก็มีผีจำอะไรได้ไหมมีความจำได้หมายรู้ไหมก็มี ไอ้ที่ผีมีเรามีทั้งนั้นอะ่ะที่เรามีบางอย่างผีไม่มีมันไม่มีกายหยาบงั้นเราชนะมันนิดนึงนะไม่ต้องกลัวมันที่เรากลัวเพราะเราไม่รู้จักมันถ้ารู้จักมันเราไม่กลัวตอนเด็กๆ เ, เราเพ่อกลัวผีที่สุดเลยกลัวแบบลูกแมวที่บ้านตายนะ<ป>เวลาทลางคืนนี่ยนะไม่กล้าหลับพยายาม ลุกตัวเองให้ตื่นกลัวผีแมวมาเข้าฝั น, นดูกลัวได้ละเอียดแล้วออกข น, น, นั้นั้นแต่เสร็จแล้วก็หลับนะก็ไม่ฝันด้วยที่เลิกกลัวผีนะเพราะายหมาไปภาวนาที่วัดแห่งหนึ่งพระท่านเห็นหลวงพ่อชอบภาวนาท่านให้ไปอยู่ตรงทางเข้าป่าช้า ปราชาเก็ เ, เผากันไม่มีเมนะ่ะเวลาเขาเผาเข า, า, าเผาเอาไม้กองๆแล้วเผาเลยเผาเสร็จแล้วอีกวันหนึ่งเขาจะมาเก็บกระดูกใส่หายก็ไม่ได้ไปทำอะไรเขาตั้งไว้งั้นตั้งไว้ขวนต้นไม้ต้นไม้บางต้นนะโอ้หายเต็มเลยกลางคืนนอนหลับไปได้ยินเสียงเดิน ก็บกก็บเก็บนะสเสียงเดินสงสัยว่าผีออกมาจากป่าช้าเสียงมันเดินเข้าไปในป่าช้าด้วยนะมันคงกลับบ้านนะเดินแล้วก็เดี๋ยวมันก็เดินกลับออกมาแล้วมันมากัดฟันนะกรอดกรนะอดกรอดเราในกลัวมากเลยกลัวยจนโมโห เอาแลา้ววะขอไปดูหน้ามันสักทีะเปิดคุตินะไฟชายสองก็เป็นหมาหมามันเข้าไปในป่าช้าไปคาบกระดูกมันกินไม่รู้กระดูกอะไรแนละ้อาจจะเจอกระดูกผีก็ได้กระดู ก, ก, ไ, ด ก, ดกไก่ที่เข้าไปไหว้ผีก็ได้หมามันคาบแต่มันมีแต่กระดูกักัดกรอกครับเรานั้นรู้สึกสะเทือนใจ หมาเนี่ยมันก็ไปคาบผีเอามากินได้ะเรากลัวตัดใจเด็ดขานเดินเข้าป่าช้าเลยแต่ก็ยังมีไฟชายนะกลัวงูเหมือนกันไม่กลัวผีแล้วยังกลัวงูเดินเข้าไปเข้าไปสองสามก้าชะงักมันก็น่ากลัวนะถอยออกมาก่อนแล้วตั้งหลักใหม่นะรวบรวมความกล้าเดินเื่อไปเดินเทินเดินเข้าไป เลยเลิกกลัวมเลยเวลาไปพาวนาตามวัดบางทีคุณป้าบางคนเนก็เตือนหนูอย่าไปตรงน้นนะตรงนี้อย่าไปเดินนะกลางคืนมีผมีผีเปรตตัวสูงมันร้องมันหัวเราะเปรตมันหัวเรา ะ, ะยอย่าไปนะ ไปอยู่ใต้ต้นไม้หลวงพ่อเวลาไปอยู่วัดป่าเมื่อทีเอาเต็นไปอยู่ใต้ต้นไม้ไม่ได้อยู่กุตตยชอบอยู่กลางแจ้งได้ยินเสียงมันหัวเราะอยู่ไกลๆเดินเข้าไป ร, ารู้ว่าไม่ใช่ผีหรอกส่องมันเป็นนกนกบ้านนกบอ่ออะไรม่รหัวเราะทำเอาคนท่าคนแก่หัวใจจะวาย มันอยู่บนยอดไม้มันตัวสูงนี่ก็จินตนาการมโนมันต้องเป็นตัวสูงเท่ายอดไม้หัวเราะอยู่เสียงดังเรารู้ว่านกนะ้วพ่อกลับมานั่งภาวนาเราต่อเช้าเจอคุณป้าไม่บอกแต่ว่านกให้แกกลัวไหมขี้กลัวเรากลัวต่อไปถ้าบอกว่านกเดี๋ยวยังไม่กลัว อย่างนี้แกกลางคืนนะแ ก, ะกระวังไม่กล้าขาดสติไม่กล้าซากลัวผีเห็นไหมครูผีดีนะครูผีเวลาภาวนาตามวัดเนี่ยเวลากลัวผีนะภาวนาครูบาอาจารย์ท่านก็สอนครูเสือครูช้างครูผีพวนะกนี้ฝึกให้เราได้กรรมฐานที่ดีบงงังงงได้ดีเพราะเสือนะหลวงปู่ชอบได้ดีเพราะเสือ เดินท่านเดินทูดงเเป็นพระที่ชอบเดินกลางคืนมันเย็นดีแล้วใจท่านกล้าหารไปใจเอกเสือจิตท่านรวมทุ๊บเลยรู้ตัวอีกทีสว่างแล้วเสือก็หนีไปแล้วแต่เกียงก็ดับไปแล้วนี่เวลาเราภาวนานะมันมีรสชาติของการภาวนา เวลาเราต่อสู้กับกิเลสแต่ละตัวแต่ละตั ว, ตตวอย่างหลวงพ่อสู้กับความกลัวผีสู้กับความกลัวผีพวกเราจะใช้ผ้าหม่มคลุมโปงสู้กความกลัวผีไม่หายจะต้องใช้สติใช้ปัญญาอย่าละเลยนะทําไมหลวงพ่อเมื่อก่อนชอบภาวนาอยู่กลางแจ้ง ว่าจิตมันตื่นตัวดีกลางแจ้งอยู่อยู่นะบางทีงูมาอะไรถ้าเราซุ่มซ่ามไม่มีสติเลยงูก็มาไปเหยียบมันเข้าอย่าเดือดร้อนงูบางตัวชอบเล่นไฟงูบางตัวกลัวไฟงูบางชนิดนะชอบเล่นไฟงูสามเหลี่ยมเนี่ยชอบไฟเห็นแสงไฟแล้วชอบมาฉะนั้นบางคนบอกว่าจุดไฟไว้กันงู แกเป็นเชิญงูมาปาร์ตี้งูก็มา้นะาปาร์ตี้เวลาอยู่ในป่าอยู่กับธรรมชาติใจเราตื่นตัวไอ้ประเภทนั่งใจลอยอย่างนิดไปอยู่ในสวนสาธารณะหรืออยู่บ้านอยู่ที่สบายดูลีสอท อยู่ในธรรมชาติจริงๆมันจะต้องระวังตัวตื่นตัวยุคเรานะมันไม่มีเสือมีช้างแต่บางที่ยังมีช้างอยู่ที่นี่ไม่มีสัตว์ใหญ่ๆมีแต่ ง, งูงูก็มีหลายอย่างงูสามเหลี่ยมงูทับสมิงครางูจงอางงูเหา่า งูเขียวหา ง, หงะะไหมงูกะปะอะไรวย่านนี้มีเราเดินซุ่มซ่าน<ม>เหยียบหลื<ม>อ ก, กัดเอามันต้องต่อสู้ป้องกันตัวเราพยายัมมีสติไปนะพวกเราใครกลัวตุกแกบ้างมีข่าวดีมาบอกมีตุกแกเข้ามาในศาลาจับออกไปยังไม่ได้เลยมั้ง ทีก็มาเดิ น, นรู้สึกไหมความน่ากลัวเริ่มเกิดแล้วความไม่แน่นอนในชีวิตเกิดขึ้นแล้วรู้สึกไหมตอนนี้ไม่มีที่พึ่องอื่นก็นพึ่งสติไว้อย่าสติแตกถ้าสติแตกก็ไม่ฟังธรร ม, มนะแล้วแต่ไม่เห็นมาสองสามวันละเด็กก็อาจจะเอาออกไปแล้วก็ได้ ทีมันก็เข้ามาทีข้างข่าวก็มีพวกเราชอบเปิดมุม้งรถทิ้งไว้สัตว์มันก็เข้ามาน่าสงสารนะที่พยายามจับออกไปไม่ได้กลัวมันเลยสงสารมันเข้ามาแล้วอดอาหาร <c oughs> มีสตินะเห็นไหมเลินิกแล้วเลินอีกแล้ว เกิดตอนนี้ตุกแกเกาะคอแล้วัวใจวายนั่นนะไปทั่วติเลยบางคนกลัวตุกแก่เกาะเกาะแขนยังไม่หน้ากลัวเท่าเกาะคอรู้สึกไหยเกาะคอรู้สึกไห ม, ไหมถ้ามันเกาะปุ๊บเนี้ยนะมันสวยนะตุกแกเมื่อก่อนคุณแม่ก็กลัวตุกแกหลวงพ่อก็บอกคุณแม่เราก็คุณแม่ไปดูตุกแกไป ตัวแกน่าสงสารตัวโตนะเที่ยวจับมแมลงกว่าจะได้กินตัวเล็กๆตัวหนึง่งวิ่งสแทบแย่เลยไม่จะได้กินตัวหนึง่งวิ่งไปวิ่งมาพุณแม่ไปดูนั่งสงสารตั้งแต่ความเมตตาเกิดขึ้นเลยนะโทสะคือความกลัวเนี่ยหายไปเลยอย่างถ้าเราเมตตาผีนะ่เราจะไม่กลัวผีเราเมตตางู เขาก็ไม่กลัวงูเมตตาตุกแก่ก็ไม่กลัวตุกแกเพราะว่าเมตตากระทุษะความกลัวเป็นโทสะมันเป็นสิ่งตรงข้ามกันถ้า ใ, ใจเราเป็นกุศลมันก็ไม่เป็นอกุศลอย่างหลวงพ่อเมื่อก่อนมีงูเห่าอยู่ที่สวนโพงูเห่าเห็นกันมานานเราไปยึดสร้างวัดไม่นา น, นก็มีงูมาออกลูกมีลูกงูเหา่า มันก็คุณกับเราจนตัวมันใหญ่ะยาวเป็นเมตรเลยเวลาเรานั่งอยู่ริมสนามมีเก้าอี้มีมาหินนั่งนั่งก็เอาขาลงเนี่ยมันก็มาสวยมากงูเห่าเกล็ดมันดําเวลาถูกแสงแดด น, นะเป็นสีรุ้งเลยสวยมากจริงๆยังกับอัญมณีเลยนะสวยมันก็มามดุมดมุดมุดอยู่นะ ตามศอกหินมาหาอะไรกินต่างคนต่างอยู่ใจเจริญเมตตามีความสุขอย่าขาดสติขาดสติแล้วไม่ดีอันตรายทาั้งทางโลภทั้งทางธรรมตายด้วยความขาดสติก็ไปทุกขติาตายด้วยความมีสติก็ไปสุขติ ค่อยๆฝึกตัวเองอย่าประมาทอย่าละเลยอย่าปล่อยเวลาให้ล่วงไปเปล่าๆความตายจะมาถึงเราเมื่อไรไม่รู้ความพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักจะมาถึงเมื่อไรไม่รู้การประสบกับสิ่งที่ไม่รักจะมาเกิดขึ้นเมื่อไหรก็ไม่รู้ความเจ็บความตายจะมาถึงเมื่อไหรก็ไม่รู้เราอยู่ในความไม่รู้นี่มากมาย สิ่งที่เราไม่รู้มันน่ากลัวบอกแล้วมันน่ากลัวนะอย่างถ้าเราตายไปตอนนี้ยเรารู้ไหมเราจะไปไหนมันจะกลัวเพราะเราไม่รู้พาะริยาบคุคคลเวลาจะตายไม่กลัวบางองค์ท่านก็รู้ว่าจะไปไหนบางองค์รู้ว่าไม่มีที่จะไปไม่ได้ผุดให้เกิดบางองค์ไม่รู้ว่าจะไปเกิดที่ไหนนะแต่รู้ว่ายังเกิดอีก แต่ไม่หวั่นไหวเพราะรู้ว่าชีวิตข้างหน้าเนี่ยมันจเจริญกว่านี้มันไม่มีตกต่ำงั้นอย่างพระริยบุคคลมีชีวิตที่ไม่ประมาทฝึกตัวเองชจนเป็นพระริยะล้วถึงไม่รู้ก็ไม่กลัวเพราะมั่นใจมีความมั่นใจว่าอนาคตข้างหน้าดีกว่านี้ ในขณะที่พวกเราไม่มีความมั่นใจอะไรสักอย่างหนึ่งถึงเราจะทำบุญใส่บาตรนะในขณะจิตสุดท้ายอาจจะมีโทษาก็ได้เวลาเจ็บมากๆเคยเห็นไหมคนไม่สบายมากๆโมโหนะ ห, หุนหินโมโหเขย่าวเตียง <H it> เตียงที่โรงพยาบาลโ <H it> มโหเดียถ้าตายตอนนั้นแล้วไปทูกติหรือบางคนอยู่โรงพยาบาล ใจเป็นห่วงลูกห่วงหลานตายไปแล้วก็เป็นเปรตไปทุกขติใจดวงสุดท้ายนั่นแหละที่พาเราไปเราอย่าประมาณไม่ได้ถ้าเรายังไม่ได้เป็นพระโสดาบันงังพยายามเจริญสติจนมันเคยชินที่จะมีสติไม่ใช่เคยชินที่จะขาดสติ ต้องเคยชินที่จะมีสติเรื่อยๆไปแล้วสติอัตโนมัติมันจะเกิดถ้าเคยชินที่จะขาดสตินะความขาดสติโดยอัตโนมัติมันก็จะเกิดจิตมันเป็นไปนตามความเคยชินงั้นเราฝึกให้มีสติเรื่อยๆเรียกว่าธรรมาจินกรรมที่ดีกรรมที่ทำสม่าเสมอนะมีสติไปเรื่อยๆอย่าปล่อยตัวปล่อยใจนะล่องลอยไปเห็นแล้วสังเวช พ่อเห็นพวกเรามีความสุขเห็นแล้วสลดใจมันตายตอนนี้มันจะเป็นตัวอะไรวะคงเป็นเทวดาประเภทเฮหาปาตีนะ้มีนะัะเทวดาประเภทเฮหาปาตีร้องราทําเพลงอยู่ในภูมิที่ไม่สูงมากภูมิที่สูงขึ้นไปเขาภาวนากัน ใจเราสลดลงบ้างก็ดีแล้วอย่าประมาทความทุกข์ความตายจะมาถึงเมื่อไหร่ไม่รู้ประมาทไม่ได้ฝึกใจให้เคยชินกับการมีสติไว้ถึงเวลาขับขันธรรมะจะมาช่วยเราคือสติสมาธิปัญญาจะมาช่วยเราแต่เราไม่ฝึกไม่คุ้นเคยกับธรรมะธรรมะก็มาช่วยเราไม่ได้ไปกินข้าวไป ไปกินข้าวไม่ได้ไปแปลว่าเลิกปฏิบัตินะเห็นไหมพอได้ยินว่าไปกินข้าวจิตเปลี่ยนแล้วเตรียมตัวไปต่อสู้ยังงริงนะนี่มนีนวัน